ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องภิกษุมหาภัยพระปุษตะเทระโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่27พฤศจิกายน2545หณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณนะบัดนี้ วันนี้เอาประวัติพระอาหารหันรูปหนึ่งมาอ่านให้เราฟังกันอันนี้ลงในสารส่ากว่าจะถึงอรหันต์เป็นประวัติของพระปุษะเทระ ลองฟังกันดูกันละกันพระปุตสาเทระได้บำเพ็ญบารมีเอาไว้แม้ในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆสั่งสมบุญกุศลเป็นอุปนิสัยเพื่อการนิพพานไว้แล้วคือจริงๆเนี่ยกว่าจะเป็นพระอรหันต์ได้ในแต่ละรูปล้วนต้องสั่งสมอนมาจําไม่ได้แล้วว่า แต่ละรูปนี่บางทีโหยาวนานขนาดไหนซึ่งยาวนานมากๆนะอย่านึกว่าแม้เป็นพระอรหันเนี่ยบางครั้งเรานึกว่าโอ้โหนี่ท่านบางทีฟังธรรมปับ๊บมรนลุปุ๊บเราก็นึกว่าง่ายๆนึกว่าเร็วที่ไหนได้โหกว่าจะมาถึงชาติที่จะได้เป็นพระอรหันเนี่ยท่านก็ต้องสะสมมาไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติ นะจนกระทั่งเรียกว่ามาถึงที่สุดของชาติสุดท้ายนั่นแหละถึงจะบรรลุธรรมได้เพราะฉะนั้นบางทีก็อย่าไปเข้าใจง่ายๆนะว่าเอ๊ะบางทีมาฟังธทรำรหรือบางทีปฏิบัติไม่ชาตานานอะไรเลยรูปนั้นรูปนี้ก็ได้บรรลุธรรมเราเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ไม่น่าจะยากอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านจะต้องปฏิบัติมา พูดง่ายทุกๆชาติอะที่ท่านตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดเนี่ยต้องปฏิบัติมาเรื่อยจนกระทั่งถึงที่สุดของทุกนะที่สุดของทุกก็หมายถึงว่าสามารถที่จะพ้นทุกได้นั่นแหละถึงถึงจะบรรลุได้เสร็จแล้วพอได้เป็นพระอรหรันตะ์นี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วจะภาคเพียรเพื่อให้ไปเป็นพระพุทธเจ้าอีกโอ้โหก็ยิ่งไม่รู้ล่ะ จะกี่ชาติชาติชาติชาติเนี่ยมันรู้แล่ละจะยาวนานแค่ไหนนะซึ่งก็ยากเย็นลำบากอีกเพรา ะ, ะนั้นพ่อท่านเนี่ยบางทีก็บอกบ่อยๆว่าส่วนใหญ่บางทีมักจะล้มเลิกมักจะล้มเลิกความคิดซะก่อนก็คิดดูสนนินี่ระดับพระอรหันต์หรือระดับอะไรพร ะ, พ, ระพุทธเจ้านะที่จะไปเป็น ทีเราไม่ต้องไปคิดไกลเราเอาเปรียบเทียบแค่ตัวเราเองบางทีเราตั้งใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะเห็นเลยว่าพอเราทําไปทำไปเนี่ยบางทีพอเจออุปสรรคเจอปัญหาเจออะไรที่มันขัดขวางบ้างน่ายากบ้างลําบากบ้างเราเองเนี่ยเราชักไม่อยากจะทำละทั้งทั้งที่เรื่องนั้นก็บางทีเป็นเรื่องที่เราต้องทํามาหากินเป็นเรื่องที่เราต้อง ทำงานทําการต้องอาศัยในการมีชีวิตอยู่นะบางทีเรายังจะถอยเลยยังจะไม่สู้เลยแต่ตอนนี้ยิ่งมาเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องที่ต้องมาขัดใจเราต้องมาฝืนใจเรานะว่าทําไปก็บางทีโอ้โหรู้สึกไอ้มไม่ทํามันยังจะมีความสุขอยู่บ้างนะแต่พอทําไปทําไมมันยิ่งทุกข์ทำไมมันยิ่งทุกข์เพราะมันมันฝืนใจอะ่ะ มันยิ่งจะทิ้งง่ายใหญ่เลยเพราะนั้นคนที่จะทิ้งการปฏิบัติธรรมเนี่ยง่ายแต่คนที่จะหันมาพยายามปฏิบัติธรรมแล้วก็ให้ถาวรให้ยืนยาวนานนี่อันนี้ยากเพราะบางทีดูเหมือนยิ่งปฏิบัติแล้วยิ่งทุกข์ซึ่งซึ่งคนถ้าไม่เข้าใจเนี่ยก็ก็ทุกข์จริงๆแต่ถ้าคนที่เข้าใจแล้วเนี่ยพอปฏิบัติไปห็น ก็นี่มันเป็นเรื่องฝืนใจอะซึ่งซึ่งไอ้คาว่าฝืนใจมันก็แหม่ไม่สนุกอยู่แล้วหรือหรือหรือใครชอบฝืนใจสนุกดี <c oughs> ก็คงไม่อย่างนั้นะนะะก็ส่วนใหญ่มันก็แหมลําบากนะบางทีโหกัดฟันเลยบางคนจะกัดฟันเลยนะพยายามสู้พยายามอดทนนะถ้าเป็นคนเข้าใจเนี่ยทั้งทั้งที่เราลําบาก ทั้งที่เราฝืนใจทั้งที่เราต่อสู้อยู่แต่มันยังมีปิติมันมีสุขอยู่ด้วยเพราะในขณะที่เราสู้เนี่ยเราก็สึกโอ้โหตาบใดที่เรายังสู้อยู่ตาบนั้นเราไม่แพ้เรายังไม่แพ้กิเลสถ้าตาบใดยังสู้อยู่แล้วอย่างนั้นน่ะเราก็มีความหวังที่เดี๋ยวต้องชนะเด็ดขาดจนได้แหละเพราะยิงสู้ไปมากเขาก็ต้องยิงชนะมากขึ้นเรื่อยๆไม่มีหรอก ใครที่ยิ่งสู้แล้วก็ยิ่งแพ้ไปเรื่อยๆไม่มียืนยันได้เลยถ้าใครอดทนแล้วก็พยายามนะสู้ไปเรื่อยสู้ไปเรื่อยนะคุณไม่เลิกสู้นะรับรองเลยในที่สุดเนี่ยจะชนะเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นแพ้คุณจะน้อยลงเพราะอะไรเพราะอย่างน้อยพอเราสู้ไปสู้ไปมันต้องชํชนานาญมากขึ้นถูกไหมใครล้มบ่อยๆเอาสมมตินะ ใครสมมุติว่าเดินอะไรเนี่ยแล้วชอบหกล้มเงี้ยคนที่ล้มบ่อยๆเนี่ยคุณว่าคนนั้นจะชํานาญในการล้มไหมตอนแรกล้มนี่อาจจะหัวฟาดพื้นนะอาจจะแบบอะไรอะ่ะโอ้โหล้มทั้งตัวเลยแต่พอล้มบ่อยๆคุณจะเป็ไงคุณจะเริ่มระวังมากขึ้นใช่ไหมแล้วคุณจะเริ่มรู้วิธีล้มคราวนี้คุณจะล้มนิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณจะล้มนิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะ ฉลาดเองใครจะโง่ไปยอมล้มให้หัวฟาดพื้นให้คุณเจ็บให้คุณทรมานเองมันไม่มีหรอกเพราะนั้นน่ถ้าคุณเพียงแค่มีความภาคเพียรมีความพยายามทำบ่อยๆเท่านั้นแหละรับรองเลยคุณต้องชนะมากขึ้นคุณต้องบรรลุธรรมแน่นอนพระเจ้าถึงได้ใช้คำเนี้ยใช้คาว่าคนเราล่วงทุกได้เพราะความเพียร คำว่าล่วงทุกได้เนี่ยหมายถึงว่าในที่สุดต้องสําเร็จหรือถ้ามาปฏิบัติทำก็ต้องเป็นพระอาหารหันในที่สุดเนี่ยล่วงทุกได้เพราะความเพียรเพราะว่าถ้าคุณลองไม่เลิกนะคุณไม่เลิกคุณไม่หยุดในการต่อสู้คุณไม่หยุดในความพยายามในที่สุดต้องชนะอันนี้ยืนยันกับคุณได้เลยว่าในที่สุดต้องชนะที่สุดแล้วไม่มีว่าแพ้หรอก แต่ส่วนใหญ่ที่แพ้อาตมาพูดบ่อยว่าเพราะเพราะอะไรเออเพราะเลิกสู้ที่แพ้เนี่ยไม่ใช่อะไรเลยเพราะเลิกเลิกความเพียรและเลิกความพยายามวันคนที่จะเป็นพระอาหารหันต์ได้เนี่ยคือผู้ที่ไม่เลิกความพยายามนะคุณฟังตรงนี้ดีๆนะผู้ที่จะไปเป็นพระอาหารหันต์ได้เนี่ยคือผู้ที่ไม่เลิกความพยายาม ชาตินี้พยายามต่อสู้กับกิเลสตัวเองได้เท่าไหรก่ก็เอาเท่านั้นนะชาติหน้าเกิดอีกเอาอีกสู้อีกนะทุกๆชาติวันเดี๋ยวจากเรื่องนี้นะภาพปุษฏะเทระเนี่ยนะเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยท่านสะสมมาเรื่อยดูนะบอกว่าเนี่ยสั่งสมบุญไว้ในพระพุทธเจ้าองค์องค์ก่อนๆแสดงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยผ่านมาตั้งหลายองค์ จริงๆพวกเราเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะผ่านมากี่พระองค์แล้วนะพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์เนี่ยกว่าจะเกิดพระองค์หนึ่งพระองค์หนึ่งโอ้โหนานนะกว่าจะเกิดพระพุทธเจ้าครั้งนึงเนี่ยเพราะว่าเกิดมาเสร็จแล้วก็ตั้งศาสนาตั้งศาสนาเสร็จจนกระทั่งศาสนาจเจริญรุ่งเรืองจนทั้งเสือนะเส่อมนะเสื่อมเอาสูญไปหายไปเอา้า แล้วเดี๋ยวค่อยๆเกิดพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ขึ้นมาโอ้โหนานไม่รู้กี่อะไรอ่ะกี่ชาติต่อกี่ชาติกี่ปีต่อกี่ปีเพราะฉะนั้นแล้วยาวนานนาแต่จะให้เห็นเลยว่าผู้ที่มีความเพียรมีความพยายามอยู่เสมอนั่นแหละในที่สุดก็ได้เป็นจนได้อันนี้สําหรับพระปุตสาเถระเนี่ยท่านก็อย่างนี้แหละ คำว่าบําเพ็ญบารมีก็คือคำว่าบารมีเนี่ยคือการสั่งสมคือการทําความดีแล้วก็สั่งสมสั่งสมสั่งสมเอาไว้นะหรือใช้คำํำง่ายๆก็แสดงคําว่าบารมีเนี่ยคือคนทําดีที่ไม่เคยหยุดทําดี <c oughs> นะผู้ที่ไม่หยุดทําดีนั่นแหละก็จะมีบารมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆณนะตอนนี้ พระปุสาเถระเนี่ยในอดีตเนี่ยเนี่ยก็สังสมมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยจนกระทั่งมากําเนิดในยุคสมัยของพระพุทธเจ้านะองค์สมณะโคดมท่านก็หมายถึงพระปุษาเถระเนี่นะได้มาเกิดเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ามัณฑริกะมีพระนามว่าปุสาปุส า, ป า, ป า, ปาแปลว่า ขาวสะอาดแปลว่าบริสุทธิ์นะชื่อว่าปุตสัดเมื่อเติบโตเจริญวัยแล้วได้ศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาต่างๆจนสำเร็จการศึกษาตามที่พวกเชื้อสายกษัตริย์เคยศึกษากันมาแต่เพราะบุญบรารมีที่สะสมไว้ในชาติการก่อนทำให้เป็นผู้มีอุปนิสัยขาวสะอาดจิตใจบริสุทธิ์ห่างจากกิเลสตัณหา จึงไม่มีใจเกี่ยวข้องในกา ร, รมคุณทั้งหลายคืออันนี้พูดง่ายๆว่าชาติก่อนๆ ก, ก, ก่อนที่จะมาถึงชาตินี้แสดงว่าปฏิบัติธรรมมาจนกระทั่งจิตใจนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะฝ่ใจในเรื่องการรมในเรื่องกิเลสอะไรมากมายแล้วแสดงว่าจนมาถึงชาติของของพระพุทธเจ้าองค์สมณโคดมเนี่ยกิเลสเบาบางมากแล้วเพราะนั้น นะั่นแล้วก็ปรากฏว่าพวกอะไรอะ่ะพวกโหราจารย์หรือว่าจะเป็นพระราชบิดาอะไรก็แล้วแต่นะัตั้งชื่อให้ว่าปุาตสะเนี่ยนะแล้วแต่นะเขาจะคํานวณจากอะไรก็แล้วแต่แต่ตั้งชื่อให้ปุตสะเนี่ยแสดงว่าเป็นเหมือนกับชื่อที่ได้มาจากเนี่ยเยกรรมบิบากกรรมเก่าที่สะสมมาดีอันนี้เป็นบิบากดี นะสะสมมาดีจนกระทั่งโอ้กิเลส เ, เบาบางนะปรากฏว่าโหนเขาเรียกใช่ไหมโหนโห น, โนทํานายทายทักตั้งชื่อเนี่ยเขาจะต้องผูกดวงเขาจะต้องอะไรเนี่ยพวกสมัยโบราณปรากฏว่าพออะไรเสร็จปับ๊บตั้งชื่อว่าปุษตะแสดงว่าตั้งได้ตรงกับตรงกับมรรคผลที่ปฏิบัติมาอันนี้เป็นลักษณะชื่ออย่างหนึ่งของคนเรา ที่ได้มาด้วยการกระทําจนกระทั่งมีผลมากพอล้วจกนกระทั่งคนนี้เลยเป็นชื่ออื่นไม่ได้ต้องได้ชื่อนี้เหมือนเราบางคนเน่ะชื่ออื่นไม่ได้หรอกต้องได้ชื่ อ, อย่างนี้แต่อาจจะไม่ขาวสะอาดหรอกนะอาจจะไม่รู้ล่ละนะไปบางคนมีวิบากอะไรมานะ แทนที่จะชื่อดีๆอาจจะชื่อไม่ดีก็ได้ก็แล้วแต่ น, นั้นก็เป็นบิบากเขาทําให้เขาก็ต้องชื่ออย่างนั้นเราอยู่ดีๆเนี่ยไม่ใช่ว่าชื่อนี้มันมันลอยมาหาคุณโดยสเปสะปะไม่หรอกชื่อก็เป็นบิบากกรรมอันหนึ่งที่ทําให้คนนี้ต้องชื่อนี้ทําไมพ่อแม่หรือว่าเครือญาติทําไมไม่ตั้งชื่ออื่นให้ล่ะทาไมมาตั้งชื่อนี้ให้เพราะคนนี้ต้องชื่อนี้ นะครชื่ออย่างอื่นก็ไม่ได้มันเป็นบิบากอย่างหนึ่งของของคนเรานะซึ่งอันนี้ถ้าเราเข้าใจได้เราจะได้บางทีก็ยอมรับความจริงเพราะว่าบางคนไม่ค่อยยอมรับความจริงไม่ค่อยพอใจชื่อตัวเองว่าทําไมตัวเองต้องชื่อนี้ด้วยมีถมไปเลยนะคนจํานวนมากเลยที่ไม่พอใจชื่อตัวเองแล้วส่วนใหญ่เนี่ย ชื่อที่เราไม่ได้ตั้งเองเนี่ยมันมาตามกรรมเนี่ยนะชื่อที่มาตามกรรมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะค่อนข้างถูกต้องมักจะค่อนข้างเป็นไปตามกรรมจริงๆส่วนชื่อที่บางทีเนี่ยเราไม่ชอบใจเราไปเปลี่ยนเองเราไปตั้งอย่างงาั้นตั้งอย่างนี้ตั้งอย่างโงน่ะไม่ค่อยจริงครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นไปตามกิเลสเราแล้วิเลสกิเลสความชอบของเรา แต่ชื่อที่มันได้มาเองโดยทำเขาเรียกว่าได้มาตามธรรมเนี่ยค่อนข้างจะเป็นตามจริงนะซึ่งถ้าใครเนี่ยสังเกตได้นะเขาจะเขาจะดูเลยตั้งแต่ว่าเอ๊ะตอนเด็กๆ เ, เนี่ยทําไมเราจะต้องชื่อนี้เออมันมีที่มาที่ไปมันถึงต้องชื่อนี้ส่วนคนมาเปลี่ยนชื่อทีหลังมันก็มีที่มาที่ไปนะแต่บอกแล้วว่าไอเปลี่ยนตอนเนี้ยยิ่งถ้าเราเป็นคนเปลี่ยนเอง เ, อเราอะไรเองเนี่ยก็ ค่อนมาในทางกิเลสเราที่เราอยากเปลี่ยนแต่บางทีบางคนเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่ได้สังเกตก็ไม่รู้หรอกว่าบางทีเนี่ยถ้าวิบากกรรมของเราเนี่ยมันมาแรงยังไงอนยะ่างไงาคุณเปลี่ยนยังไงเนี่ยมันก็คล า, ายเดิมอแต่คนนั้นอาจจะไม่ได้คิดอะไรก็เลยเลยไม่รู้แง่มุมของสิ่งเหล่านี้ แต่บางทีเปลี่ยนไปแล้วนะโอ้โหชื่อฟังแล้วไพเราะเพราะพิงแบบเดิมเลยนะแต่พอโดยอักษรโดยอักขระเนี่ยโดยภาษาโดยความหมายอะไรบางทีก็เหมือนเดิมไม่ไแตกต่างเลยอันวานยังนึกขำๆเคยมีคนหนึ่งเขาไม่ชอบใจชื่อตัวเองเขาบอกมันไม่เพราะมันเชยแล้วเขาก็ไปเปลี่ยนชื่อใหม่โอ้โหเขานี้เพราะจริงๆเลย ชื่อแต่ปรากฏว่าความหมายพอแปลแล้วก็เหมือนเดิม <c oughs> ไม่ได้ต่างจากเดิมเลยแต่แต่เจ้าตัวก็พอใจนะเขาชอบเพราะว่าเพราะว่ามันอะไรมันทันสมัยแล้วก็เขาเป็นคนตั้งเองนะถูกใจเขาแต่จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนเดินมนันแหละเหมือนกับแมนะ้แถมอีกหน่อยไห <c oughs> นๆก็พูดเรื่องชื่อแล้วแถมอีกหน่อยหนึ่งบางคนนะอุตส่าห์ตั้งชื่อใหม่นะ แต่เขาไม่คนอื่นเขาไม่ค่อยเรียกเลยชื่อใหม่เขาก็เรียกแต่ชื่อเก่าอะ่ะ อ, อุตส่าไปตั้งชื่อใหม่หวังว่าคนเขาจะเรียกใช่ไหมแหมจะได้รู้สึกแหมมีความสุขที่ไหนได้พอไปที่ไหนไปที่ไหนเขาแล้วเนี่ยเนี่ย <c oughs> <c oughs> เขาก็ยังเรียกเหมือนเดิมโอ้อุตส่าไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไร <c oughs> ต่ออะไรแหมเพราะเพราะวิบากกรรมเขาจริงๆมันต <c oughs> <อ>้องมันต้องชื่อนั้นไงฮะ ถึงถึงไม่ไม่ไม่หรอกมันมันอันนั้นมีส่วนด้วยแต่ถ้าสมมุติว่าเจ้าตัวเขาเนี่ยขนาดบางทีบอกเขาอือมว่าฉันเปลี่ยนชื่อแล้วนะให้เรียกฉันอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ยังไงยังไงเขาก็เรียกชื่อเก่าอีกทเดียวเขาไม่เขาไม่เรียกชื่อใหม่มันบอกแล้วว่าบางทีเนี่ยวิบากกรรมมันมันมันมาแรงขนาดหนึ่งที่ทําให้คนนั้นเนี่ยยังไงมันมันมันหนีวิบากกรรมส่วนเก่าเนี่ยบางทีก็หนีไม่พ้นหนียาก แต่ว่าอันนี้ก็พูดให้ฟังนะว่าว่าอย่างพระพุทสาเถระเนี่ยในอดีตท่านก็สั่งสมบรมีจนกระทั่งนากิเลทท่านเบาบางกิเลทน้อยเพราะฉะนั้นเรื่องกามเรื่องอะไรต่างๆนี่ท่านก็ไม่ค่อยไปยุ่งเกี่ยวไม่ค่อยไปคล้องแวะอะไรเลยนะพูดง่ายๆว่าค่อนข้างเหมือนกับผ้าที่ขาวสะอาดจริงๆเป็นระดับถึงพระราชโอรส นะเป็นลูกของกษัตริย์โอ้โหมีบริวาร น, นะมีค่ารับใช้มีอำนาจวาสนาบา ร, รมีตั้งเยอะตั้งแยะจริงๆนี่จะอะไรต่ออะไรโอ้เรื่องกิเลสกามเรื่องอะไรนี่มันเยอะไปหมดเลยนะคนที่จะมาบำลุงบำเลอมาม า, มาอะไรอะ่ะให้ความสนุกสนานให้ความเพลิดเพลินมากมายแต่อันเนี้ยเป็นบุญที่สะสมมามากพอจริงๆ มากพอจกนกระทั่งสิ่งต่างๆเนี่ยที่มายุ่งย้อมมาเมามอาแรต่างทําท่านยากแล้วท่านก็ไม่ใส่ใจด้วยกไ็ไม่ไม่ไปสนใจในเรื่องพวกนั้นนะลูกษัตริย์อื่นๆอาจจะไปยุ่งนะอาจจะไปเที่ยวเตะลูกกษนั้นเพลิดเพลิน ม, มีสนมกำนันในอะไรต่างแต่นี่นะปุษตะปุษตะมานพเนี่ยนะปุทตะ มานบนี้ไม่แบบว่าอะไรอ ไ, ไม่ไม่ไม่สนเลยไม่อยากยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยนาตอนนี้วันหนึ่งปุสสากุมารมีโอกาสไปฟังธรรมของพระมหาเถระรูปหนึ่งได้เข้าใจลึกซึ้งในสัจธรรมยินดีพอใจที่จะประพฤติธรรมเกิดจิตเลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้าที่จะออกบวชจึงได้ขออนุญาตอุปสมบท คือคนที่กิเลสเบาบางแล้วเนี่ยไม่มีกิเลสอะไรมากมายเวลาฟังธรรมที่เป็นสัจธรรมหมายถึงว่าธรรมะแท้ธรรมะที่เป็นของจริงอยู่นะคุณแค่เหมือนกับมาส ก, กิดเท่านั้นน่ะนะเรามีมีเชื้อของความดีอยู่แล้วเมื่อเวลาโดนความดีส ก, กิดขึ้นมาเท่านั้นเองนะมันจะรับได้ทันทีเลยมันจะเกาะติดทันทีเลยนะอันนี้ก็เหมือนกันนะปุษกุมานี่ก็แบบ เพียงแค่มาฟังทำเท่านั้นเองนะเข้าใจรู้ได้ทันทีเลยแล้วก็มีจิตอยากจะบวชทันทีเพราะคนเราเนี่ยที่สุดแล้วถ้าถ้าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะที่สุดของอาชีพที่สุดของฐานะถ้าเป็นโลกโลกที่สุดคืออะไรของอาชีพของฐานะที่สุดของแบบโลกโลกอะไรเป็นที่สุดฐานะแบบไหน อ อ, อฐานะเป็นพ่อค้าร่ํารวยออันนั้นยังไม่ที่สุดใช่ไหมที่สุดทางโลกโลกอะ่ะคืออะไระถ้าเป็นเมืองที่ยังมีกษัตริย์ก็กษัตริย์ใช่ไหมถือว่าสูงสุดอืถ้าเดี๋ยวนี้เป็นประธานาธิบดีก็อะอาถึง อ, อย่างงั้นสูงสุดวันถ้าโลกโลกฐานะอันนั้นสูงสุดแต่ตอนนี้โดยทางธรรมะ โดยคราวนี้โดยทางธรรมะแล้วก็โดยความเป็นมนุษย์แท้ๆนะฐานะที่สูงสุดที่สูงยิ่งกว่ากษัตริย์ก็คือฐานะนักบวชเพราะว่าแม้แต่กษัตริย์ก็ยังต้องเคารพใช่ไหมต้องเคารพนักบวชวันในความเป็นมนุษย์เนี่ยผู้เจ้าทั้งกระตัดว่าฐานะนักบวชเนี่ยถือว่าสูงสุดมันเหมือนกัน คราวนี้เนี่ยผู้ที่ยิ่งมีกิเลสเบาบางแล้วพอมารู้สัจธรรมไม่มีฐานะอื่นหรอกที่จะมารองรับไม่มีฐานะอื่นที่ที่จะไปมีฐานะเดียวที่จะไปไม่มีอย่างอื่นก็คือต้องบวชเหมือนเหมือนเจ้าชายศิท ธ, ธาตุเนี่ยไม่มีฐานะอื่นหรอกที่จะให้ใช่ไหมที่บอกว่ามีพยากรเนี่ย พวกที่พยากรเป็นสองอย่างอ่ะคือพยากรว่าเจ้าชายศรีสถานี่จะถ้าถ้าอยู่ในโลกทัทางโลกก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินะครองอะไรอ่ะครองโอ้โหอาณาจักรวางใหญ่ไพศาลแต่ถ้าบวชถึงจะเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมอัน น, นัคนที่ยังไม่รู้แล้วก็ไม่ชัดแต่ คนทัญญะพราหมเท่านั้นเป็นพรามณ์เป็นไงพยากรณ์อย่างเดียวเลยไม่พยากรสองอย่างบอกเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพียงทางเดียวเพราะว่าผู้ที่มีกิเลสเบาบางกิลเลสเบาบางมาเรื่อยๆเนี่ยไม่มีทางอื่นหรอกคุณมีทางเดียวเท่านั้นน่ะยกเว้นพระโพธิสัตว์ที่จะมาศึกษามา อะไรเรียนรู้เท่านั้นเองที่ท่านอาจจะไปเกิดเป็นนั่นเป็นนี่เป็นโน่นแต่ถ้าเราปฏิบัติเพื่อที่จะบรรลุธรรมเพื่อเป็นพระอาหารหันต์อะไรอย่างต่างแล้วนี่นะไม่มีทางอื่นเลยมีทางเดียวคือต้องออกบวชเท่านั้นเพราะฐานะของการเป็นนักบวชเนี่ย ม, มีโอกาสที่บรรลุธรรมได้ดีที่สุดได้มากที่สุดและเป็นฐานะที่เมื่อบวชแล้วหรือบรรลุธรรมแล้วเนี่ย ฐานะนี้จะเป็นฐานะที่เผยแร่ธรรมะฐานะที่จะทำให้นักบวชเนี่ยอยู่ได้อย่างที่ที่ไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องลำบากอะไรมากมายมีฐานะเดียวไม่มีฐานะอื่นเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคุณลองไปคิดต่อกันแล้วคุณจะรู้ว่าอย่างพวกคุณเนี่ยเนี่ยมาฟังธรรมบ่อยๆเข้านะถือศีลมากๆเข้า ปฏิบัติไปเรื่อยๆนะอีกหน่อยก็หัวโล้นหมดแหละไม่มีทางอื่น ม, มีทางเดียวถ้าคุณชัดเจนและคุณรู้แนวทางรู้ทิศทางเนี่ยไม่อยากเสียเวลาไปไว้ผมหรอกมันเสียเวลาถ้ามันล่นเวลาได้มันตัดเวลาได้เนี่ยมันมาเลยมาเลยตามฐานะนะตามฐานะวันใครเนี่ย พอจะเป็นไปได้เนี่ยมาจริงๆเคยเคยเล่าให้หลายคนฟังมางขนาดไม่ต้องคนอื่นน่ะแค่อัตมาเองเนี่ยอัตมาเคยคิดนะตอนนั้นทางสองแพ่งอัตมาคิดทางสองแพ่งตอนตัดสินใจที่จะไม่อยู่ที่บ้านละยังไงก็ออกจากบ้านแน่นอนเพียงแต่ว่าจะไปทางไหนทางหนึ่งเนี่ยก็กะว่าไปไปทางสายของคุณจำลอง นะไปช่วยคุณจำลองนะในเรื่องของการเบืองในเรื่ออะไรต่างๆนะใจคิดอย่างนั้นเลยจริงๆว่าทางหนึ่งไปอย่างนั้นส่วนอีกทางหนึ่งก็มาทางพ่อท่านเนี่ยนะก็มาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมหรือว่าเนี่ยมาถือศีลต่างๆเนี่ยก่อนจะก่อนจะมาอยู่สันติสุขเนี่ยก็พิจารณาอยู่ตั้งนานเนี่ยเป็นเดือนพิจารณาอยู่เป็นเดือนเดือน ว่าเอจะไปทางไหนดีจะไปทางไหนดีตอนตอนที่เบื่อละเบื่อฐ า, านะแบบทำมาหากินอยู่ทางบ้านแล้วก็ไปทำงานมีเงินเดือนมีอะไรเราก็อยู่ในพบของเราเราก็มีความสุขมีความสบายมีความเพลิดเพลิอนอะไรตามภาษาเราไม่เอาลพาะพอปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันจะเห็นแก่แก่ประโยชน์ของคนจานวนมากเนี่ยเพิ่มขึ้น ความสุขของตัวเองแล้วก็ลดลงด้วยเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยลดกิเลสตัวเองก็คือลดความสุขแบบโลกโลกเราเคยดูหนังฟังเพลงเคยติดเที่ยวเตะเฮฮากับเพื่อนฝูงอะไรต่ออะไรมันไม่เอานี่มันลดลงมันตัดลงเพราะฉะนั้นอใจที่มันจะดูดเราไว้อย่างนั้นเนี่ยมันดูดเราไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็ยิ่งปฏิบัติยิ่งปฏิบัติเนี่ยมันก็ยิ่งเอจะช่วยคนยังไงจะอะไรยังไง จำได้พอเริ่มปฏิบัติธรรมเนี่ยนะโหเปลี่ยนจริงๆเลยยิ่งถ้าถ้าคุณไม่ไปมีกิเลสอะไรเกาะเป็นสนิมคาใจไว้เยอะแยะนะถ้าไม่มีพวกนี้มากเราจะเห็นเลยพอเราปฏิบัติธรรมปับ๊บโหรู้สึกมันมันมันได้เร็วนะมันได้ผลเร็วแล้วก็รู้สึกเราเราพัฒนาตัวเองเนี่ยขึ้นเร็วแล้วความปิติความสุขที่เราทําได้ก็ก็เห็นผลได้ชัดเจนด้วย แล้วพอเริ่มได้นี่นะคุณจะรู้เลยนะว่าโอ้โหแต่ก่อนนี่เคยนะเห็นแก่ตัวเห็นแก่ความสุขสบายส่วนตัวนี่มันจะลดลงมันจะอยากช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมากขึ้นเงินทองแต่ก่อนเคยมีเราเอาไปกินเสพไปใช้ของตัวเรานะไปตัดเสื้อผ้านะไปซื้อไอ้นี่ไอ้นี่บำรุงบำเรอตัวเราแต่พอตอนหลังเนี่ยเราปฏิบัติธรรมแล้ว ไม่รู้จะเอามาบำบ u l บ n g บำเลอทําไมยิ่งบำบรุง n g บำเลอเราก็ยิ่งกิเลสหนาะตอนนี้เราปฏิบัติทำเพื่อลดกิเลสแล้วเราปฏิบัติแล้วกิเลสลดเราก็สบายมีความสุขขึ้นจริงๆเงินก็ยิ่งเหลือพรามคล่องเงินยิ่งเหลือคราวนี้ก็คิดถึงคนอื่นมากขึ้นละโอ้โหได้ข่าวว่าใครทุกร้อนนะบางทีเขาก็จะมีใช่ไหมออกทางโทรทัศน์บ้างทางวิทยุบ้างหรือทางหนังสือพิมพ์บ้าง รู้ว่าใครทุกข์ร้อนเนี่ยอยากบริจาคให้เขาพูดง่ายๆนะเงินมีเท่าไหร่นี่โอ้โหอยากบริจาคนั้นแหะแทบจะไม่อยากเหลือเอาไว้ให้ตัวเองเลยนอกจากว่ามั น, ม, นมันมีไว้บ้างเพื่อความจำเป็นเท่านั้นแต่ถ้าเงินเงินมีเท่าไหร่นี่โอ้โหอยากให้หมดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะตามสภาวะถ้าเราเนี่ยปฏิบัติ ท, ทําได้ดีขึ้น จริงๆเราจะเห็นเลยว่าความจะเอาเข้าหาตัวเราเองเนี่ยมันลดลงไปลดลงไปจนกระทั่งบ้านช่องเราเองเรายังยังไม่อยากอยู่เลยเพราะว่าอยู่แล้วมันกไไ็ไม่ไม่ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรมันก็มีประโยชน์แค่ว่าหาอะไรอ่ะหาเงินถาทองอะไรเข้ามาสู่บ้านตัวเองก็เท่านั้นมันไม่ได้เพื่อประโยชน์เพื่อสังคมเพื่อ คนอื่นๆที่เขาทุกข์ยากเขาลําบากเขาเดือดร้อนนะคนอื่นมันมันไม่ได้เนี่ยเพราะอันเนี้ยสภาวะจิตนี่มันจะเปลี่ยนเลยพอเปลี่ยนอย่างนี้เนี่ยมันก็จะโอ้โหเอาละจริงๆเลยคราว น, นี้ได้ข่าวที่ไหนเนี่ยเอาละแบ่งเงินเลยบริจาคไปบริจาคไปบริจาคไปอย่างเช่นพอตอนช่วงอากาศหน้าหนาวเงี้ยโอ้โหได้ข่าวว่าทางเหนือนี่ถึงกับหนาวตายโอ้โหเรารู้สึกฟังข่าวแล้ว จิตมันก็แหมเขาเดือดร้อนนะเอาแล้วบางทีก็กส่งเงินเลยพอเรารู้ว่าอย่างหน่วยนั้นหน่วยนี้เนี่ยเขาจะช่วยเหลือนะเขาจะซื้อผ้าหม่มเอาไปแจกทีเราก็เอาส่งเงินไปให้หรือบางทีก็ไปซื้อผ้าหม่มซื้อเองเลยไปซื้อซื้อเสร็จแล้วก็ส่งไปให้เขาไปช่วยเอาไปแจกเนี่ยจิตมันไปเลยนะแล้วมันทําจริงๆด้วยเพราะว่าเรารู้สึกว่าทําอย่างเนี้ย แล้วเรายิ่งสุขใจยิ่งสบายใจคราวเนี้มันเป็นความสุขที่เราได้สละออกแล้วไม่ใช่ความสุขที่เรานี่เอาห่วงกลับเข้ามาที่ตัวเรา